พวกเราถ้าว่าไม่มีการพูดถึงเสลยก็ก็จะห่างเขินไปเรื่อยขนาดพูดถึงบ่อยถึงขนาดนี้ทุก15หวันพวกเรายังลื่นลางยังไม่ให้ความสาคัญยังไม่รู้จักอีกต่างหากไม่ได้สนใจอีกต่างหากฟังพลิดเพจบไปโดยที่ไม่ได้ติดตามกันกลองไตรตรองเหตุผล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 พระชายกรุงกบิลพัฒไปบวชทั้งหกท่านมีพระอนุลุษอานนนเทวทัตกิงภริวคัคคุพัทยะแล้วก็มีพระศิวลีและอุบาลีไปด้วย mm hmm. อุบาลีก็คือเป็นช่างตัดผมช่างตัดผมในราชสำนัก อุปรลขอติดตามไปด้วยแต่พระกุมารทั้งหกเนี่ยก็ไปพอไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ถามว่าใครจะบวชก่อนคือศึกษาแล้วว่าถ้าว่าใครบวชก่อนโพธนั้นต้องเป็นอาหุโสถ้าว่าใครบวชตามนั่นลงไปก็เป็นพันเต ตกรุงมานทั้งหกนะเจ้าฟ้าชายทั้งหกมาจากกรุงกระบินละพัฒท่านบอกว่าท่าน เ, เป็นเจ้าฟ้าชายเป็นผู้ใหญ่ไปนาสถานที่ใดคนก็กเคารพนอบน้อมเพราะเป็นพระชายอย่างอุบาลีนี่ก็เป็นช่างการบกคือช่างตัดผมต้องให้ความเคารพพระชายทุกองค์ เพราะนั้นเวลาเราจะบวชเนี่ยพระชายทั้งหลายเนี่ยเราถ้าบวชขึ้นไปอุบาลีนี่ก็จะต้องเคารพพอเราเป็นอาวุโสไมก่กล้าที่จะ บ, บวดตามขั้นเอาเธออุอบาลเีเป็นผู้มีอายุให้บวชก่อนพวกเราจะได้กราบได้ไหว้เพื่อลดทิธฐิมาณะของพวกเราลงท่าน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 ทำใหจึงมาบูญวาสนาแก้ไม่ตกคลๆว่าคนมีนิสัยดุนิสัยพูดช่วงจานิสยัพพาา ย, ย, สยพูดไม่เข้าหูคนพูดง่ายๆถึงจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามก็ยังมีอยู่นิสัยพูดไม่เข้าหูคนเพราะเหตุไรก็เพราะว่านินสัยวาสนาแก้ไม่ตกแต่พูดที่แก้ตกก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวท่านว่าละวาสนา บุญวาทนาหรือว่าการนิสัยวาทศนาเนี่ยนิสัยคือคือนิสัยคือเคยทำอย่างไรมาก่อนวาทนาเนี่ยรอได้มีมีแต่พุท ธ, ธองค์เดียวสาวากะนี่บุญลวาทนาไอข้าวนิสัยวาทนาเนี่ยแก้ไม่ตกอย่างภาษาริบดเนี่ยท่านเป็นอั克拉สาวกของพระพุทธเจ้าท่านไปที่ไหนก็น่าจะสํารวมระวังเรียบร้อยแต่ท่านเดินไปทด่ไหนพอเห็นคลองเห็นอะไรกระโดด มืนกระโดดเหมือนกระเด็กเลยพระสงฆ์ทั้งหลายเห็นกับอากับกิริยาของพระสาวกทั้งที่เป็นพระรหัน์อสสติอย่งเป็นสาวกขวาของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากแต่อากับกิริยาเนี้ยดูแล้วไม่น่าเลื่อมใสเหมือนกับอะไรเหมือนกับสามัญชนหรือว่าคนที่ไม่ได้รับการศึกษาจากนั้นพระสงฆ์เห็นอากับกิริยาเพียงทงนั้นนะมากราบทูลพระพทุทธเจ้า พลันภาษาเล่บุตรเดินไปที่ไหนข้ามคล อ, ง ก, องกระโดดขึ้นขอนไม้หรือกระโดดชอบกระโดดพระพุทธเจ้าบอกว่าสาเล่บุตรเคยเป็นลิงมาก่อนเคยเป็นลิงติดภพติดชาติมานานนมนานนิสัยลิงยังมีอยู่จิตใจกระโดดนิดสัยละวาดสนานในแก้ไม่ตกสาวกมีแต่พุทธะเท่านั้นะ ต้องดูและแก้กับกิริยาเข้ากับเรื่องราวเหตุการณ์นั้นๆได้กับภาษาวกแล้วจะแก้ตามนิสัยของท่านเพราะนั้นเราต้องดูอย่างพระปิรินทวัชชะเหมือนกันในถอยพูดกับคนจนคนโกรธโมโหให้ทั้งที่ท่านไม่มีเจตนาแต่ท่านนิสัยของท่านเป็นคน มาตั้งแต่พบหลายพบหลายชาติเหล่านี้เป็นตน้นเพราะนั้นบางเสิยงบางอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านจะดุด่าว่ากล่าวแต่ท่านมีคุณธรรมท่านดุแล้ว ก, กรจบทําไม่ได้ว่าอะไรแต่บางคนบางท่านก็ออกไปเผาจิตเผาใจของน เ, เองนมนานทีเดียวเผือเผอยังสร้างบาปกรรมอีกต่างหากสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราได้ศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า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 ให้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนออหลักธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าสอนอยังไงชั้นเชิงเล่เหลี่ยมการเป็นอยู่ของเราที่เราจะเป็นครรวาตยาดโยมสิ่งเหล่านั้นเราจะต้องศึกษามีตั้งเยอะแยะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าศินและวินยัยกฎระเบียบชาดกเรื่องที่เราจะต้องศึกษาการเป็นอยู่ต่างๆกิริยาม ร, รยาท์สินของพระนี่เขาเต๋ ที่ผมยกแล้วยกอีกให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเพียงแต่การอยู่การฉันท่นั้นอ่ะอย่างสวดปฏิโมกจบลงสักครู่นี้การอยู่การฉันเราเป็นวงของกษัตริย์วงของสากยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าสากยะเราเป็นลูกของสักกายพระพุทธเจ้านับว่าเป็นบุตรของพระองค์สากยบุตรพุทธชินโนรส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 เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกลูกหลานไปอยู่นสถานที่ใดไปนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดเข้าชุมชนใดนําไปใช้เกิดประโยชน์ทั้งนั้นเป็นมารยาทที่ดีเราฉันอยู่เราจะไม่พูดเมื่อคําข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดเราจะไม่ฉันทํากระพุ้งแก้มให้ตุย๋ยเหล่านี้เป็นตน้นอเรามันงามไหมเรามา พ, พิจารณาดูสิมันไม่งามจริงๆนะงนะถ้าทําอย่างนั้น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 ในเนี้ยตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยมีหนังหุ้มโดยรอบเนี่ยเราก็ได้ท่อง อ, อาการสามสิบสองอายังโคโม้มกายอยู่กายของเรานี่แหละพวกเราก็ได้ยินจริงไหมร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะและอีกทักวันหนึ่งร่างกายของเราเนี่ยจะต้องแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไปตายพูดง่ายๆจริงไหม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 บางคนยังมีสายพโยงพยังอิลุงตุงนางไปหมดไม่รู้ว่าสายออกซิเจนไม่รู้วายให้อาหารไม่รู้วายช้สียาเ้าน้ําเกลือในตัวของเขาอีกสักวันนึงเป็นยังไงตายใช่ไหมใช่เนี่แหละพราะพระไตรยาว่าร่างกายสังขารเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกถ้าเป็นอย่า ง, งนั้นทุกรฤสุขทุกเนี่แหละร่างกายเป็นทุก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 สิ่งอื่นเงินคําทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักพี่น้องเพื่อนฝูงวัดว า, าศาสนาอัถบริการบริการแปดของเราเป็นของเราใช่ไหมแหม่ไม่ใช่ถามใครทถอะเนี่ยเขาบไม่ใช่เป็นถามใครถามใจทถนี่ยใจคือนามะคําตัวรู้เนี่ยะอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนี่แหละถามตัวนี้แหละตัวนี้เราเป็นหลงหลงสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นเราภาวนาเมื่อจิตใจสงบนิ่งเสร็จแล้วนะ เราให้ดูใจนี่แหละเอาใจท่เนะี่ยพิจารณาร่างกายเกสาผมโรมาขนะอันกลั่นกรองไต่ทองด้วยเหตุและผลจากนั่นก็ใจนะอย่าหลงร่างกายนะใจนะอย่าหลงตัวเองนะอีกสักวันหนึ่งนะจะต้องทิ้งแน่ๆ น, นะขาดขาดร่างกายนะี่ใจนะอย่าหลงนะอย่าหลงตัวเองนะอย่าลืมตัวนะใจนะเมื่อใจไม่หลงใจใจไม่ลืมตัวเห็นตามความเป็นจริงเมื่อนั่นแหละใจอิ่ม เบื่อหน่ายคลา ย, จายใจใจก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ยึดมั่นถือมั่นร่างกายจะไปยึดทังไงถ้ายึดไปกระเท่านั้นอีกสักวันนึงเขาจะไปเผาไฟทิ้งอยู่แล้วมันไม่ใช่ตัวตวนของเรานะสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พ่อลูกพ่หลานพาน้องพานุง่งทั้งหลายภาวนาดูสินและวินัยกจะให้ขาดตกปกห้องพอเราบวชเข้ามาแล้วเรื่อง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 ใจมันก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงเจ้านั้นแหเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคายไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหล ะ, ะมรรคผลนิพพานหรือ ว, ว่าความบริสุทธิ์ดุดพ้น์ในหลักของพระพุทธศาสนาจุดนั้นแหละแต่ก็ต้องใช้เวลาน ะ, ะแต่เป็นเสียแต่ผู้มีบุญวาสนาพระมีเก่าแก่พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางพดพับโยนเทงตึงเลยจบแต่ถ้ามาผู้ที่ยังไม่นั้นก็ต้อง